ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องตอบปัญหาล้างความโกรธโดยสมณะซาบซึงสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัด น, นี้ค่ะ ก็มีผู้เขียนถามมาว่านามัส ก, การอยากให้ท่านเทศโอ้โหให้เทศเลยเหรอเรื่องการเอาชนะอารมณ์ที่เอาแต่ใจตนเองเป็นธาตุอารมณ์โกรธง่ายถือดีอถือศักดิ์ศรีมังถือศักดิ์ศรีตัวตน ไม่รู้นะอ่านถูกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะทำนองเนี้ยก็คงอั น, นิฐานในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ในด้านของความโกรธแล้วก็มานะอัตตานะพูด ง, ง่ายง่ายข้อที่หนึ่งข้อนี้นี่จริงๆถ้าเวลาพูดโดยกว้างๆพูดโดยทั่วไปเนี่ยใครไม่มีอารมณ์บ้างนะ ไปหมดแล้วซึ่งอารมณ์คงไม่มีหรอกนะอย่างน้อยน้อยก็เราก็อยากจะอารมณ์ดีคนเพราะฉะนั้นอารมณ์นี่ต้องมีแน่นอนเพียงแต่อารมณ์แบบไหนเพราะฉะนในที่นี้เราหมายถึงอารมณ์ร้ายหรืออารมณ์ร้อนอารมณ์ที่มันขุนมัวอารมณ์ที่วิตกกังวลห่วงกุ้มอะไรก็แล้วแต่ในอารมณ์ในแง่ลบเพราะอารมณ์ในแง่ลบเนี่ยเราไม่อยากเอาเราไม่อยากได้แม้แต่อารมณ์ที่เนี่ย ถือตัวถือตนนะมีมาณะอัตตาภาษาพราะนี่เขาเรียกมาณะอัตตาแต่ถ้าทั่วทั่วไปเขาจะใช้คำว่าศักดิ์ศรีนะมีศักดิ์ศรีฉันเป็นพี่แกนะหรือบางทีก็ฉันเป็นน้องแกนะก็ <c oughs> <c oughs> มีศักดิ์ศรีนี่อย่านึกว่าแม่ต้องคนใหญ่กว่าแล้วก็แม่ถือศักดิ์ศรีกับคนเล็กกว่าไม่อนะบางทีคนเล็กกว่านี่แหละนะถือศักดิ์ศรีก็ได้ อาศักดิ์ศรีว่าชั้นเล็กบ่าเนี่ยพราะ่นแกต้องยอมชั้นบางทียังมีเลยนนก็เป็นมานะอัตตาเหมือนกันเพราะอันนี้ถามมาว่าจะเอาชนะอารมณ์พวกนี้จะยังไง อ, อารมณ์พวกนี้มันเกิดจากอะไรต้องรู้อันนี้ก่อนถ้าอารมณ์ของความโกรธส่วนใหญ่ไปเจอสิ่งสิ่งไหนอารมณ์ของความโกรธเนี่ยที่ที่จะทำให้เราโกรธไปเจอลักษณะไหน ถึงจะทำให้เกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอึดอัดไม่ชอบใจคือต้องรู้ต้องรู้อะไรอ่ะเาเรียกต้นสายปลายเหตุที่มาถ้าไม่รู้ล้างไม่ได้แก้ไม่ได้เอาชนะไม่ได้เหมือนเราไม่รู้ว่าใครสมมูรณ์าใครน ะ, ะขโมยของเราไปเราไม่รู้ว่าใครขโมยของเราจะจับจับขโมยได้ไงในเมื่อไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะอย่างน้อยมต้องรู้ ว่าใครเราถึงจะไปจับคนนั้นมาได้พราอันนี้เหมือนกันอารมณ์เนี่ยเราจะเอาชนะอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยอารมณ์ที่ร้ายหรือว่าอารมณ์ที่เร็วอารมณ์ที่รุนแรงเราก็จะต้องจับอารมณ์ให้ได้ว่าอารมณ์นี้มันเกิดจากอะไรแต่ถ้าแก้ปายเหตุก่อนอย่างเช่นนะบางคนเน่ยเขาเขาเขาแก้ปายเหตุก็คือโกรธขึ้นมาปับ๊บ อารมณ์เสียอารมณ์บุ๋ยกันมาปั๊บนะหักใจกันเลยชนิดที่เรียกว่าไม่ดีนะบางคนก็รู้ว่าตัวเองเนะี่ยถ้ายืนตรงนี้ต่อไปโกรธแน่นะเดี๋ยวต้องดา่าเดี๋ยวต้องลงไม้ลงมือแน่ก็ตัดใจกันเลยก็เดินหนีไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ น, น, น, นี่แก้ที่ไปเหตุอยู่ซึ่งบางทีก็ต้องแก้นะไม่แก้ไม่ได้เพราะยืนตรงนั้นต่อไปเดี๋ยวต้องมีใครเจ็บตัวแน่เพราะนั้นเอา้าต้องแก้ต้องเดินหนี แต่มันยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเพราะต่อให้คนนั้นเดินหนีไปที่อื่นอารมณ์นั้นมันมันหมดลงไปหรือยังยางมันก็ยังอยู่กับใจเราอยู่ดีอ่ะมันยังไม่ได้หมดมันถ้าจะแก้เนี่ยปลายเหตุก็ต้องแก้แต่แก้ที่ถูกต้องที่สุดต้องแก้ให้มาถึงต้นเหตุว่าเอ้าแล้วทำไมทำไมต้องโกรธเขาพยายามนะอย่าไปตั้งคำถามว่าเนี่ยเขาพูดอย่างเนี้ย เราเลยโกรธหรือว่าเนี่ยเนี่ยหน้าตาเขาแบบเนี้ยเราเลยโกรธเนี่ยใส่ชุดอย่างเี้ยมาเราเลยไม่ชอบใจเราเลยโกรธถ้าตั้งคำถามอย่างนี้ดีนะเราจะแก้อารมณ์เราได้เนี่ยต่อเมื่อต่อเมื่ออย่างไงต่อเมื่อเขาเปลี่ยนชุดมาใหม่นะไอ้ที่ถูกใจเราใช่ไหมเราถึงจะไม่โกรธหรือต่อต่อเมื่อเขาเปลี่ยนหน้ามาใหม่ ดังนั้นถ้าหน้าหน้าตรงสเปกกับเราเราจะไม่โกรธอะอย่างนี้ความโกรธเราจะหายได้ต่อเมื่อต่อเมื่อเป็นไงต่อเมื่อคนอื่นเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราถึงจะลดลงไปได้ถ้าอย่างนี้เราจะโกรธหรือไม่โกรธขึ้นอยู่กับที่ตัวเราไหมขึ้นอยู่ที่ใจเราไหมไม่เลยมันเริ่มขึ้นอยู่กับหน้าคนอื่นใช่ไหม ถ้าหน้าไม่ตรงสเปคเราเราโกรธถ้าหน้ามาตรงสเปคเราเราไม่โกรธอย่างนี้ตายเลยคนนี้จะไม่มีวันที่จะมีความสุขในชีวิตได้เพราะเท่ากับว่าเขาจะสุขหรือเขาจะทุกข์นี่ขึ้นอยู่กับคนอื่นเพราะนั่นอัตมา ถ, ถึงบอกว่าคําถามพวกนี้อย่าไปตั้งถ้าตั้งแล้วเนี่ยมันชอบจะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลง เ, เพื่อที่สมใจเราและอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่โกรธของเราถึงจะหายโอ้โหตายเลย เพราะนั้นเลิกเลิกวิธีการเนี้เพราะต้องใช้วิธีใหม่นะวิธีอย่างของสายพุทธของาศาสนาพุทธแล้วนี่ไม่ตั้งคําถามที่คนอื่นแต่ตั้งคําถามที่ตัวเราเองอย่างเช่นโกรธเขาอย่างเงี้ยเอาละเขาทําหน้าแบบนี้มาเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปถามว่าทําไมเขาทําหน้าอย่างนี้อันนั้นไม่เอาเราตั้งคําถามใหม่ว่าแล้วทําไมอ่ะหน้าอย่างเงี้ยทําไมเราจะต้อง ไปถือสาทําไมเราต้องไม่ชอบใจตั้งตั้งมาที่ตัวเราใช่ไหมเอา้าก็คนอื่นเขาเห็นหน้าคนนี้เขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแล้วทําไมเราเนี่ยเราเนี่ยกิเลสตัวไหนของเราพอไปเห็นหน้าอย่างนี้แล้วเร า, เรากโกรธเราไม่ชอบใจทั้งทั้งที่บางทีนี่เข้ามาให้เห็นเนี่ยคนอื่นก็ได้เห็นพร้อมกับเรานะหน้าเดียวกันแต่เขาอื่นเขาไม่ถือสาเขาไม่คิดอะไรอาแต่ทําไมเราต้องคิดเนี่ย แล้วทำไมเราจะต้องไปเกลียดชังพยานถามอย่างนี้เพราะถามอย่างเงี้ยมันจะเริ่มควานเข้าไปหาต้นเหตุอ๋อที่ไม่ชอบหน้าอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานเอาเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มสาวหาสาเหตุเมื่อวานเนี่ยเราคุยกับเขาอ่ะเสร็จแล้วเขาก็ทําหน้าแบบเนี้แนหะ่ะ <c oughs> เมื่อวานเนี่ยแหมใช่ไหมเราก็ไม่ชอบใจอ่ะแหมเราคุยไปดีๆมาทําหน้าอย่างนี้ใส่เราเรากเรา เราจํามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะวันนี้เห็นหน้าอย่างนี้อีกเราก็เลยโกรธล้เ น, เนี่ยเราเริ่มสาวหาไปเรื่อยๆแล้วนะเริ่มเริ่มเห็นต้นเหตุแล้วคราวนี้ไอ้ที่เมื่อวานเนี่ยที่ไม่พอใจเขาอะนะเพราะอะไรเข้าไปอีกดึงเข้าไปเนี่ยใครที่ศึกษาเรื่องอริยสัจนะอริยสัจสี่เนี่ยจาได้ไหมมีอะไรบ้างอริยสัจสี่ทุกสมุทัย มีโรดมากเราอาจจะรู้ภาษาแต่เราอาจจะไม่เคยเอามาใช้ในชีวิตนะเพราะฉั้นกําลังจะบอกให้เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันพระเจ้าตรัสรู้มาอย่าให้ท่านตรัสรู้มาฟรีๆนะให้เรามาจําเฉยๆแต่ทนี้ท่านตรัสรู้มาเพื่อให้เรามาใช้ได้ในชีวิตเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมโกรธนี่อร่ออร่อยมากโกรธ โกรธแล้วมันดิแหมยิ่งโกรธยิ่งมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮนะใครม้างใครโกรธแล้วมันไม่มันหรอกเรารู้เลยใช่ไหมโกรธแล้วทุกเอาแค่ตัวที่หนึ่งเนี่ยคุณเริ่มคุณเริ่มสาวลงไปนะคุณเริ่มเห็นแล้วว่าโกรธแล้วดิโอ้โหหัวเหอก็ร้อนบางทีี่ตัวร้อนแบบเผาบางคน ใ, นใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตั บ, ต บ, ตบตุบตับเลยนะเวลาโกรธนะยิ่งกับกินกาแฟอีกบางคนกินกาแฟแล้วใจสั่นใช่ไหม แต่บางคนที่โกรธแล้วโอ้โหใจตุบตับตุบตับตุบับยิ่งกิกนกาแฟเนี่ยเราจับได้เลยโอ้โหมันทุกนะจริงๆแล้วมันมันไม่สุขใจเลยมันไม่สบายใจเลยแค่คุณจับได้เริ่มตัวตั ว, ตวเริ่มต้นแค่เนี้ยบอกแล้วว่าคุณตัดรอบคนอื่นนะอย่าเพิ่งไปคิดถึงคนอื่นแต่เราจับอารมณ์เราได้ว่าพอเราโกวธขึ้นมาปั๊บโอ้โหทุกจริงๆเลยบางคนเนี่ยดูก็น้าตาดีๆะน้สวย แต่พอเวลาโกรธแล้วนี่โอ้โหหน้าตาน่าเกลียดมากเลยบางคนนี่นะเขาถึงเขาถึงชอบเรียกว่าใครที่โกรธเนี่ยเขาเปรียบว่าเหมือนกับคนหน้าเป็นไงเออบางทีเขาเปรียบว่าเหมือนกับคนหน้ายักษ์เพราะว่าโกรธแล้วมักจะแยกเขี้ยวเวลาโกรธแล้วโกรธแล้วมักจะแยกเขียวว่าพร้อมที่จะด่าหรือว่าพร้อมที่จะเล่นงานคนอื่นเขาเขาเลยเปรียบว่าเนี่ยคนขี้โกรธเนี่ยอืชอบแยกเขี้ยวอยู่เรื่อย มันเลยเหมือนกับยักษ์แล้ก็เปรียบเนี่ยเนยเหมือนกับหน้ายักษ์วันแค่นีเรารู้แล้วว่าโอ้โห โ, โ, โ, โกรธมันเป็นทุกข์ถ้าคุณแค่แค่ข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณเริ่มตามจับคุณตามเห็นแล้วนะโธ่เอ้ยไม่รู้อยากจะโกรธไปทำไมเพราะทุกครั้งที่เราโกรธใครทุกเราทุกทุกทีทุกครั้งที่โกรธคุณก็ทุกทุกครั้งไปคุณเกิดคุณโกรธหนึ่งครั้งคุณก็ทุกหนึ่งครั้ง คุณโกรธสองครั้งคุณก็ทุกสองครั้งเออแล้วเราทุกเนี่ยแล้วเขาไปยังไงเขาไปยังไงเออเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะเขาอาจจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ด้วยก็ได้เพราะนั้นโอ้ไม่คุ้มอะไรเลยเนี่ยถ้าถ้าเรารู้จกักพิจารณานะคุณจะไม่อยากโกรธเลยเพราะมันไม่คุ้มอะไรเลยนี่คุณจะโกรธไปทําไมอ่ะไอส่วนปัญหาจะต้องแก้ก็ต้องแก้กันนะแต่ตอนนี้พูดถึงอารมณ์ก่อนว่าเราเราจะดับอารมณ์ หรือเราจะแก้อารมณ์ที่เราโกรธเพราะฉะั้นพอเราชัดตรงนี้เนี่ยเราเราเริ่มลดลงมาแล้วอารมณ์ความโกรธลดลงมายิ่งคราวนี้พอพอเราเห็นทุกอันนี้ใช่ไหมเอาลราตามหาอีกว่าแล้วทำไมจะต้องโกรธเขาเนี่ยโกรธเขาเพราะอะไรเพราะเขาติดหนี้เราเนี่ยเห็นเราแล้วก็หนีไม่ยอมเจอหน้าเราหรือว่าดูสิมันกล้าเจอหน้าเราแต่มันเจอแล้วมันทําเป็นยิ้มยิ้มแล้วมันไม่ยอมใช้หนี้เราเลย เราก็เลยโกรธอ้าวอันนี้เริ่มเริ่มจับหาสาเหตุได้แล้วนึ ว, ว่าโอไ้เรานี่แห ม, มันอยากได้เงินคืนน่ะอยากได้เงินคืนนะอ่าเพราะฉั้นพอเราจับเริ่มเริ่มเห็นสาเหตุของกิเลสเราเองใช่ไหมว่าโอโ้เราอยากได้เงินคืนมากๆเลยเพราะยิ่งคุณอยากได้คืนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปเท่านั้นน่ะถูกไหมแต่ถ้าเรารู้เอาเรารู้คราวนี้ว่าอ๋อมันเกิดเพราะเหตุนี้ คุณก็เริ่มอ่าก็คุยกับเขาก็ได้นี่ถามเขาก็ได้นี่ใช่ไหมว่าเขามีหรือยังหรือว่าอะไรเงี้ยเออเขาจะจ่ายเราจะ ไ, ไม่หรือว่าเมื่ อ, อไหร่จะจ่ายอะไรคุณก็พูดคุยคุณก็อะไรได้ฮะกำลังหาวิธีดับผูกแล้วนนหาวิธีดับอารมณ์ใช่ไหมก็ต้องพูดคุยก็ต้องตกลงกับเขาเนี่ยเยคุณเริ่มแนละ้วคุณเริ่มหาวิธีการแล้วว่า อ, อ๋อต้องหาทางอย่างนี้แล้วมันถึงจะดับ ทุกของเราได้ถ้าถ้าอันนี้เป็นต้นเหตุแล้วก็คราวนี้พอคิดขึ้นมาได้ก็ลงมือปฏิบัตินะคราวที่พอเจอเขาเราก็วิ่งเข้าใส่เลยอย่าให้เขาหนีไปก่อนนะแล้วก็ไปถามกับเขาเลยไปคุยกับเขาดูว่าเออเอ อ, เ อ, อ, อย่างงี้ตกลงอย่างงี้ได้ไหมเออหรือว่าจะผ่อนใช้เมื่ อ, อไหร่ยังไงเท่าไหร่เอา้าตกลงเข้าไปสิอันนี้ก็เดินมาถึงมาร์กแล้วเนี่ยพยายาม เอาวิธีการพวกนี้ไปใช้นะแล้วก็หัดพิจารณาแล้วความโกรธคุณจะลดลงแต่ตอนนี้ น, น, น, นี่นี่บอกวิธีอย่างหนึ่งไปให้คุณแล้วนะตอนนี้มันมีอีกว่าเวลาเนี่ยให้คุณไปเจอผัสสะเลยคุณไปเจอปัญหานั้นเลยอ่ะซึ่งซึ่งหน้าเลยปกติเราเราเร า, เราไม่ชอบใจอยู่แล้วถ้าไปเจอปัญหานั้นเลยบางทีเป็นไงทนไม่ได้ ใช่ไหมพไปเจอตัวตนบุคคล น, นั้นเลยบางทีมันยังไม่เก่งอ่ะมันยังปรับไม่ได้ทำใจไม่ได้เพราะบางทีบางครั้งเขาไม่ไม่ได้ว่าต้องไปเจอกับคนนั้นโดยตรงคุณหัดจากอย่างอื่นได้หัดจากวัตถุหัดจากเข้าของหัดจากเสื้อผ้าหัดจากอาหารการกินเพื่อที่จะแก้อารมณ์โกรธของคุณได้แม้ไม่ต้องไปแก้โดยตรง เพราะว่าบางทีนี่แม่ไปหาใครมาให้ฝึกใจทุกวันทุกวันล่ะคือคือไปหาไอ้คนที่เราไม่ชอบใจคนที่เราจะโกรธบอกอย่างน้น้อยนะแกนะมานะวันละคนนะคุณจะไปบังคับใครได้ยังไงมันมั น, ม, นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีนี่เราต้องฝึกจากชีวิตประจําวันเราจริงๆบอกแล้วล่ะกีนี้ต้นเหตุของความโกรธคือความไม่สมใจใช่ไหมความไม่ถูกใจ หรือว่าได้เห็นอะไรที่ไม่เป็นไปอย่างใจเราได้กินอะไรอย่างที่เราไม่ชอบใจอานนี้ที่เป็นทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราโกรธทำให้เราถือสาอะไรได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้ดูนะเราไม่ฝึกกับคนก็ได้เรามาเริ่มฝึกกับของ อ, อย่างเช่นอาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยเรื่องนี้อย่างเช่นเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าไหนที่จะทำให้เราโกรธได้เสื้อผ้าประเภทไหน อ่าเกามั่งเชยมั่งอะไรเฉมๆมมั่งหรือเสื้อผ้าที่อะไรเราไม่ค่อยชอบอะนะนี่คือเสื้อผ้าที่เราไม่ถูกใจประเภทที่ไม่ถูกใจแต่เสื้อผ้าเรานะอย่าอย่ า, ย, าย่าไปดูเสื้อผ้าคนอื่นนะบอกแล้วนะ ต, ตัดรอบคนอื่นนะเอาเฉพาะของเราคุณไปดูเลยคราวนี้ก็ของเราแท้แต่เราจะไม่ค่อยชอบใส่เลยใสยท่ทีไรก็รู้สึกไม่ชอบเลย หงุดหงิดบางทีน่าลาคานนะอยากจะทิ้งๆไปใครมาขอก็จะรีบให้ให้ไปเลยอ่เราไปสังเกตดูแต่คราวนี้ให้คุณฝึกคือคุณใส่เสื้อผ้านั่นแหละแล้วให้คุณหัดพิจารณาว่าเนี่ยเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจเนี่ยคุณลองพิจารณาให้มันให้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเออมันใส่กัน ร, ร้อนกันหนาวใช่มจริงจริงเออมันก็ใส่ได้ไม่เห็นว่ามันจะตายหรือว่า มันจะทําให้เราหล่อน้อยลงหรือสวยน้อยลงตรงไหนเลยนะพิจารณาไปเลยพิจารณาในแง่บวกในแง่ที่มันจะคลายจิตไอ้ที่เราไปยึดว่าโอ้โหเนี่ยสีอย่างนี้ฉันก็ไม่ชอบอ่าผ้าอย่างนี้ฉันก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยนะให้เราพิจารณาให้เห็นแง่ที่มันเป็นประโยชน์ของมันแง่ที่ดีของมันพอเราพิจารณาไปได้เนี่ยเราเริ่มแล้วเราเริ่มฝึกวางใจละกับไอ้เสื้อผ้าชุดนั้น ถ้าคุณพิจารณาไปแล้วในแง่บวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใจคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคราวนี้คุณจะสังเกตดูนะวันหลังเนี่ยคุณใส่หนึ่งครั้งคุณใส่สองครั้งสามครั้งสภาวะจิตที่คุณจะไม่ชอบมันแล้วก็ไม่อยากใส่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะค่อยลลๆลดลงค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงนี่แหละคุณกําลังฝึกปรับอารมณ์ที่อึดอัดขัดเคืองที่ไม่ชอบใจเนี่ยให้มันเริ่มเบาลงเบาลง จากของจริงเลยนี่ก็ภาษาเหมือนกันจากของจริงๆในชีวิตใครฝึกได้อย่างนี้ไม่ต่างกันเลยที่เราจะไปเจอคนที่จะมาทําให้เราโกรธเพราะเหมือนกันกิเลสตัวเดียวกันกิเลสตัวไม่ชอบใจนี่ตัวเดียวกันเลยเพราะในคราวนี้พอเราเจอคนเนี่ยจากที่เราซ้อมมือมาทุกวันทุกวันเราฝึกมาเรื่อยเรื่อยใช่ไหมมันเริ่มชํานาญพอไปเจอคนที่จะมาทําให้เราอึดอัดคาดเครื่องไม่ชอบใจมันจะเริ่มรู้จัก วิปัสสนาเริ่มรู้จักคิดพิจารณาขึ้นมาแล้วทำให้เราเริ่มวางจิตวางใจลงไปได้แล้วอารมณ์คนนั้นจะไม่ร้อนแรงไม่ขี้โกรธเหมือนเดิมจะลดลงไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะอันนั้นจกตัวอย่างแม้แต่อาหารการกินแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้คุณไปฝึกได้ทั้งงา น, นในมุมตรงอังข้ามควนี้อาตมาอยากจะบอกให้คนที่ขี้โกรธง่าย คนนั้นน่ยไม่ไปฝึกอย่างที่อาตมาบอกเท่านั้นตรงกันข้ามเลยคนนั้นนิยมที่จะดูนะสาเหตุที่ทําให้คนเราเนี่ยเป็นคนขี้โกรธเพราะในชีวิตของคนนั้นเนี่ยก็จะไปสั่งสมแต่ตามใจตัวเองอย่างนี้ฉันชอบฉันเอามาอย่างงี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ใช้อ่าอย่างนี้อร่อยฉันกินอย่างนี้ไม่อร่อยฉันไม่กินเพราะฉะนั้นคนนั้นไปฝึก ทุกวันทุกวันฝึกแต่ตามใจตัวเองตามใจตัวเองคนเนี้ยกำลังสั่งสมเพราะบอกแล้วนะคนที่ไปสั่งสมเอาตามใจชอบตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณคิดดูสิในโลกเนี้ยตามความเป็นจริงเนี่ยคุณจะได้สมใจตลอดเวลาเหรอไม่มีทางวันคราวไหนที่คุณไปเจอโดนขัดใจคุณไปเจออะไรที่ไม่เป็นไปดั่งใจคุณคุณจะโกรธทันทีเลยเพราะคุณไปสะสมมานี่ว่า อะไรอะไรไมันต้องถูกใจฉันสิอะไรอะไรต้องเป็นไปอย่างใจฉันเพรา ะ, ะนนคนขี้โกรธเกิดต้นเหตุมาจากเพราะอันนี้เพราะไปสั่งสมความที่ชอบเอาตามใจตัวเองเมื่อเรารู้ไปถึงต้นเหตุตรงนี้แล้วว่าอ๋อไอ้ที่เราโกรธง่ายเพราะงี้คุณก็ต้องไปลดต้นเหตุหัดถึงถึงได้บอกว่าหัดเอ๊ไม่ต้องไปสมใจก็ได้เนี่ยอย่างเช่นกินอะไรอร่อยๆ อ, อ, อ, อ, อย่างเงี้ยถ้าคุณไป เอาว่าเออร่อยก็กินเออไอนี้ซื้อมาซื้อมานะแล้วยิ่งอะไรอร่อยก็ยิ่งกินเยอะยิ่งกินมากยิ่งกินเยอะยิ่งกินมากก็ยิ่งติดยิ่งพอใจถ้าวันไหนไม่ได้กินโอ้โหหงุดหิดงุดหิดละวันไหนไม่ได้กินนะยิ่งวันนี้นึกไว้เลยนะโอ้โหวันนี้กะว่าจะกินอะไรดีอ่ะอาตมาก็ไม่รู้หน้าวัดนี่เขาอะไรอร่อยเนี่ยฮะหน้าวัดนี่อะไรเขามีชื่อเสียงเนี่ย โอ้แสดงว่าพวกนี้ไม่เคยกินอะไรอร่อยเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบเกินหมดเลยเนยีเอาละสมมุติอะไรทักอย่างนะเอาสมมุติซาลาเปาอร่อยเอาปกติเนี่ยก็เราชอบสาลาเปาอะ่ะเราติดสาลาเปามาทีไรก็อย่างน้อยน้อยก็แหมต้องซื้อสาลาเปามานะอย่างน้อยน้อยก็กินมันสักใบสองใบอย่างเงี้ยนะสักครูกสองลูกมันก็ติดแต่คราวไหนมาแล้วเกิดโอ้โหนะยิ่งมาแบบไหนรู้ไหม มาแบบเขาขายเหลือให้ลูกสองลูกปรากฏว่ามีคนมาตัดหน้าซื้อไปก่อนโอ้โหบางทีแหมเห็นเห็นอยู่หลัดหลันี่มันไปซะแล้วโอ้โหบางทีงุดยิดงุดหยิดใหญ่เลยนะเพราะว่ามันชักจะโมโหหิวเลยเพราะมันอยากจะกินแล้วมันไม่ได้อะ่ะเนี่ยแหละเพราะเนี่ยถ้าเราเข้าใจต้นเหตุสาเหตุพวกนี้ว่าอออารมณ์ของคนขี้โกรธหรือโกรธง่ายเกิดมาจากสาเหตุแบบนี้มันหัดลดอารมณ์พวกนี้ลง วันอะไรที่ชอบกินบ่อยชอบกินมากกินทีต้องกินให้สะใจนะอย่างบางคนอย่างเงี้ยบางคนอร่อยทุเรียนแต่บางคนก็เกลียดนะแต่บางคนก็ชอบทุเรียนกินทีนั้งลูกหนึ่งเลยไอย้อะไรดังๆนะทุเรียนนะ่หมอนทองอา้าวหมอนทองอกินทีต้องทั้งลูกเลยนะคนอื่นห้ามมาแบ่งไม่งั้นไม่สะใจเนี่ยเ น, ยเนยีคนที่จะสังสมความขี้โกรธแต่ไม่รู้ตัวนะ คือดูมุมนี้แล้วมันมองไม่เห็นว่าจะขี้โกรธตรงไหนแต่ความเป็นจริงมันเป็นตัวต้นเหตุของความขี้โกรธเพราะเราไปสั่งสมความต้องถูกใจต้องตามใจเราตลอดวันข่าวนี้แทนที่จะกินลูกนึงกินเหลือเม็ดเดียวก็พอน <c oughs> ะแทนที่จะโหกินทุนเรียนทั้งลูกฝึกได้ไหมล่ะฝึกกินเม็ดเดียวแล้วก็หัดหัดทําใจหัดวางใจว่าเออนี่เรากำลังจะฝึกนะอย่าไปติดนะอย่าไปติดไปอยากไปชอบไปอะไรบันนักเลย คุณสังเกตไหมอย่างไหนเนี่ยถ้าคุณไม่ติดเนี่ยบางทีบางคนมาแย่งกินนี่คุณไม่เคยทุกอะไรอ่ะถูกกับป่ะถ้าคุณไม่ติดอะ่ะแต่ถ้าอย่างไหนติดเนี่ยมีตั้งเยอะนะเขามาแย่งไปนิดเดียวเองอะ่ะโอ้โหคุณยังโกรธเลยอะ่ะเพราะนี่ถ้าเราสังเกตเรื่องของสภาวะอารมณ์ของจิตใจได้เนี่ยคุณเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยคราวนี้คอยเตือนคอยมีสติแล้วก็เตือนตัวเราเอง เออเอเอไอ อ, อ, อย่างนี้ติดมากไปหัดลดลดลงบ้างนะหัดลดลดลงบ้างบางคนก็ติดพูดมากนะติดพูดมากไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้พูดบ้างเลยแต่ไม่ใช่อัตมา น, นะ <c oughs> อัตมานี่มามาเทะให้พวกคุณฟังเราจะบอกว่าเป็นสักยะก็ได้คำว่าสักยะหมายถึงว่า เป็นกิเลสเป็นทิฏฐิเป็นตัวหยาบเป็นตัวที่เราเนี่ยทำบ่อยๆทํามากๆแล้วเราก็คุ้นเคยแล้วก็ติดแจอยู่กับมันอย่างเงี้ยจนกระทั่งเรียกว่ามันเป็นตัวเบ่งตัวใหญ่อยู่ในจิตใจเราเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสักยะเพรา ะ, ะนั้นเราไปสังเกตดูกิเลสตัวไหนที่เราติดลักษณะเนี้ยหัดเจียนมันหัดตัดทอนมันหัดลดมันลงมาบ้างใครฝึก ทีละเล็กทีละน้อยก็ตามใครฝึกทําอย่างนี้ได้คนนั้นจะลดความโกรธลงมาลดลงมาได้มันเป็นมุมกลับถ้าใครทําอย่างนี้ได้แล้วความโกรธจะลดลง น, นี้นี่บอกไปทั้งสองมุมแล้วนะอ่าบอกไปทั้งวิธีการจับภายในจิตตัวเองบอกไปทั้งวิธีการอ่าปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพราะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ถามมานี่เข้าใจได้ แม้แต่เนี่ยความโกรธหรือว่าอัตตามานะเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของตัวตนไม่ต่างกันหรอกเอาเอาเอาตัวหยาบก่อนนะตัวความโกรธนี่หยาบหยาบยิ่งกว่าตัวศักดิ์ศรีตัวอะไรตัวศักิ์ศรีนี่มันยังละเอียดกว่าตัวโกรธทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวโกรธเนี่ยเรายังจะแก้ได้ง่ายกว่าตัวความมีศักดิ์ศรีความมีศักดิ์ศรีบางทีเรายังรู้สึกว่าเอ บางอย่างมันก็ดีนะ้บางอย่างมันก็ถูกนะแต่ตัวโกรธเนี่ยคุณจะเห็นชัดเลยว่าไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยตัวโกรธนี่ทําลายทั้งตัวเราเองทําลายทั้งคนอื่นตัวโกรธที่เป็นตัวทําลายโดยตรงนะถ้าเราถ้าเราชัดตรงนี้ได้เราจะเห็นเลยว่าเออไม่เอาดีกว่าว่าะเราจะลดตัวนี้ลงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยทําไมพระเจ้าท่านตั้งศีลขึ้นมา จะเป็นศีล5้าเป็นอย่างน้อยก็ตามเนี่ยทาไมบอกว่าเอาฝึกลดละนะลดละไอน้นี่ลดละไอ้นัน่น5ข้อเนี่ยก็จริงๆก็คือเนี่ยแหละให้ฝึกจับอารมณ์แล้วก็ปรับอารมณ์ตัวเองเพราะแน่นอนเลยศีลเนี่ยให้งดเว้นงดเว้นงดเว้ น, ง ด, วนงดเว้นนี่เนี่ยมาตัดลดละไอ้ความติดความหลงความชอบใจเรื่องนั้นตรงนี้ของเราให้มันน้อยลงให้มันน้อยลงเป็นการฝึกละมันถ้าเข้าใจได้เนี่ยมันจะทําให้เราเองโอ้ ไปถือศีลก็เพราะเป้าหรือว่าผลประโยชน์คืออย่างนี้นี่เองที่จะทําให้ใจเราเนี่ยเย็นได้มากขึ้นเพราะว่าพอเราทําได้เนี่ยใจจะเย็นขึ้นคราวนี้ถึงบอกนะใครมาเอาไอ้นั้นเราไปเอาไอ้นี่เราไปเนี่ยนะมันไม่รุนแรงแล้วมันไม่ไปโกรธเกลียดโหถือสาอะไรกันมากอันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใครปฏิบัติได้มากเนี่ยก็จะวางพวกนี้ไปได้มากจนไม่โกรธ เหมือนบางครั้งเนี่ยบางคนมาที่สันติอโศกนี่ปรากฏว่าโอ้โหมาด้วยใจที่นะแสนจะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็คิดว่าโอโหมาสถานที่นี้ก็อะไรอะไรดีๆทั้งนั้นน่ะนะทั้งฟังเทศทั้งฟังธรรมทั้งเจอผู้คนทั้งอะไรแม่รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแต่พอมาเสร็จบางทีวางกระเป๋าไว้กระเป๋าหายเอาเลยะีคราวนีนะ้ความอิ่มใจทั้งหลายเกิดหาย เผือดแห้งหายหมดเลยบางทีอ่ะอารมณ์เริ่มบูดและอารมณ์เริ่มเสียแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่เจ้าตัวแล้วนะถ้าเจ้าตัวรู้แล้วก็เข้าใจได้ว่าเอออ้าวก็มันไม่รู้นี่ว่าใคระนะอ้าวแต่ของมันหายไปแล้วอ่ะแต่ถ้าเขาเองเขาไม่ติดยึดแล้วเขาก็ไม่อะไรอ่ะหลงไหลในทรัพย์สมบัติขาของเงินทองอะไรของตัวเองมากนะก็มันหายแล้วอ่ะประกาศก็แล้วหาก็แล้วมันก็ไม่เจอ แต่เขาเองเขาฝึกมาแล้วเขาเข้าใจธรรมะแล้วเขาก็เข้าใจวางปล่อยวางลงไปได้บ้างเขาก็ไม่ทุกข์อะไรมากหายก็คือหายไม่รู้จะทำยังไงไม่ทุกข์อะไรมากหรอกแต่ถ้าเราโอ้โหเราหอบหวงเราก็ติดยึดอันนั้นมากเวลาหายนี่ทุกข์มากเลยกลุ้มใจเสียใจมากๆมากจนกระทั่งบางทีก็เลิกก็แล้วสันติอโศกนี่เลิ ก, กแล้วไม่มาเหยียบอีกเลย ชาตินี้เอ้าบางคนหนักๆก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าฝึกฝนแล้วไอ้ไอ้ไอความหอบหวงความติดยึดอะไรความหลงไหลอะไรพวก น, นี้มันจะลดลงลดลงวันนี้นะข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าใครเข้าใจได้อาตมาว่ามันก็จะลดลงได้ส่วนข้อสองมีคำถามว่าการฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบขยนันเข้มแข็ง มีเหตุผลมีตะบะมีความดีที่ตนเองสามารถรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองได้ทาอย่างไรโอ้โหนี่หลายมีเลยนะนะมีระเบียบนะแล้วก็ขยันด้วยนะแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มีเหตุผลมีตะบะอีกแหมมีความดีที่สามารถจะภาคภูมิใจได้เนี่ยทำยังไง อันนี้เนี่ยอาตมาอยากจะบอกว่าทําอย่างที่คุณทำํำมาแหละเพราะว่าอันนี้จริงๆความภาคภูมิใจนี่อยู่ที่ตัวเราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่บางคนทําดีไปแล้วไม่ค่อยภาคภูมิใจเพราะความพลาดในความคิดที่คนนี้ชอบคิดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยเฉพาะบางทีเราเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เราเห็นแล้วโอ้โหนะคนนั้นหู้โหเขาทำได้ดีกับเราบางทีมาพร้อมๆกันนะ โอ้โหเขาทำได้ดีกว่าเราต้องเยอะแนะ่แม่เขาไอ้นุ่นก็ทําได้อ้นี่ก็ทําได้นะได้เป็นสิบอย่างเลยไอ้เรานี่อย่างเดียวยังไม่ได้เลยนะแต่เราก็พยายามจะทําคือถ้าไปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็ต้องทุกหนีไม่พ้นเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบททัติธรรมนี่เขาไม่ไม่ไม่ให้เราเนี่ยจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าจะเปรียบเทียบเขาให้เปรียบเทียบกับตัวเองเท่านั้นนะอย่างเช่นเมื่อสิบวันที่แล้วเรายังไม่ปฏิบัติธรรม โอ้โห oh, เรายังยี่สายอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะยังหอบหวงไอน้นี่ยังติดหลงไอน้นี่แต่โอ้โ oh, หหลังจากสิบวันมาแล้วนี่เออตอนนี้เนี่ยจะชักชักไอ้นั่นละชักเข้าใจทำมากมากขึ้นแล้ะฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเข้าใจแล้วเออลองไปทํานู่นนิดทําดีหน่อยโอ้โ oh, ห oh, นะรู้เพิ่มมากขึ้นรู้เพิ่มมากขึ้นนะชักไอ้นู่นก็พอจะลดได้บ้างไอ้นี่ก็พอจะลดได้บ้างเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเอง โอ้โหสิบ oh, วันที่ผ่านมานี่เราดีขึ้นหน่อ ย, อยนะเนี่ยจากเดิมนี่ถ้าอย่างเงี้คุณจะภาคภูมิใจเพราะมันจะเห็นเลยว่าเออเราเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมหรือคราวนี้ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับตัวเองเสร็จโอ้โห oh oh, นี่เรายังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่อ้าวเราอาจจะยังไม่ภาคภูมิใจแต่ยังน้อยเรารู้ว่าแม่นี่เรายังทําน้อยไปเราคงต้องฝึกฝนต้องฝึกตัวเองให้มากกว่านี้อีกนะขยันให้มากกว่านี้เนี่ย ขยันให้มากกว่า น, นี้มีเหตุผลให้มากกว่า น, นี้มีตาบะให้มากกว่า น, นี้มีความดีให้มากกว่า น, นี้แล้วนะถ้าเรามากกว่า น, นี้ได้แเราต้องภูมิใจตัวเองแน่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นประเด็นสาคัญเพราะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้ระวังให้มากๆเลยนะเพราะมันเผลออยู่เรื่อยเพราะจะมาสังเกตจากนักปฏิบัติธรรมที่บางทีมาปฏิบัติแล้วมักจะเผลอตรงจุดนี้บ่อยๆคือชอบเปรียบเทียบกับเพื่อนฝูง นะคนนั้นคนนี้เปรียบเทียบเปรียบเทียบทีไรอนะ่ะเดี๋ยวก็พังไม่อย่าไปเปรียบเทียบ